นี้ต่อไปอีกว่าผู้ที่ถึงสารณะเนี่ยนะผู้ที่กล่าวถึงสารณะเช่นชัด ต, ตามานบเนี่ยนะชั ต, ต า, านบนั้นก็ถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะตอนหลังก็เป็นเทพบุตรลงมาฟังธรรมก็ตรัสรู้ธรรมเพราะฉะนั้นการเลื่อมใสาการถึงพระองค์เป็นสารณะการประนมอัญชลีเช่นกับนกฮูกเนี่ยนะเอามาว่าอยว่ามีมือมีนิ้วเลยแบบนกฮูกเนี่ยประคองปีกอัญชลีเนี่ยนะนอบ น, น้อมต่อพระพุทธเจ้า กุศลจิตเหล่านั้นก็ยังเป็นบุญเป็นวาสนาะเป็นปัใจจัยให้อะนะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายเอกาณิบาตว่าเอกปุขคโลภิขเวโลเก อ, อุปัชมาโนอุปัชติผู้ชนะหิตายะผูะ้ชนะสุขหายะโลกานุ ก, กัมปายะอัฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุษย์สานังกาตะเมปุคโล ตถาคตอรหังสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยนะก็คือว่าดูก่อนที่สู่ทั้งหลายบุคคลผู้เป็นบุคคลเอกเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกย่อมเกิดมาเพื่อเกื้อกูลแก่ชนทั้งหลายเป็นอันมากเกิดมาเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเป็นอันมากเกิดมาเพื่ออนุเคราะห์โลกเรียกว่าอนุเคราะห์แปลว่าเปรื้องสัตว์โลกให้พ้นภัยเกิดมาเพื่อประโยชน์เกิดมาเพื่อเกื้อกูลเกิดมาเพื่อความสุข แห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประโยชน์สูงสุดก็คือพระนิพพานความเกื้อกูลที่ที่แท้ก็คืออริยมรรคความสุขในอริยผลนั้นเพราะการเกิดขึ้นของพระองค์เพื่ออริยมรรคเพื่ออริยผลเพื่อแทงตลอดพระนิพพานโดยการที่พระองค์สร้างอุปนิสัยให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายบุคคล น, นั้นคือใครพระตถาคตอรหันตัมมาสัมพุทธเจ้า ตถาคตคือผู้เสด็จมาเช่นกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงผู้เสด็จไปหรือตรัสรู้ธรรมเช่นกับพระพุทธเจ้าทั้งปวงผู้ตรัสรู้ธรรมที่จริงแท้ผู้ที่กล่าวแต่คําที่จริงแท้ผู้ที่มีญาณที่ท่องแท้เนี่ยนะพระองค์นั้นก็คือพระตถาคตเป็นผ้าอรหันต์ไกลาจากกิเลสกําจัด่าสึกคือกิเลหสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรไม่มีความลับในการ กระทำบาผู้ควรเครื่องสักการะบูชาทั้งหมดพระองค์นั้นผู้รู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งผู้รู้สรรพสิ่งด้วยพระสัพพัญยุตยานเนี่ยนะอันพระองค์นั้นที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายพันการที่พระาธาตุทั้งหลายของพระองค์เนี่ยนะยังดำรงอยู่พระาธาตุทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเนี่ยนะคือในบรรดา ผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะถ้าบูชาด้วยเข้าใจพระธรรมของพระองค์นี้ก็นับว่าเป็นการบูชาที่ลึกซึ้งและก็สูงส่งแต่ถ้าหากว่าไม่ได้อะไรก็บูชาผมขนเล็บฟันหนังของพระองค์ก็เป็นบุญน้ว่างั้นเถอะอธิจริงแล้วบูชาพระธรรมของพระองค์นั่นแหละเป็นการบูชาที่สูงที่สุดเนี่ยนะเพราะพระองค์ได้สร้างบารมีมาเพื่อ ต ร, รัสรธรทำสร้างบารมีมาเพื่อบอกธรรมเพื่อสอนธรรมพรนะธรรมของพระองค์นั้นจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งที่สูงที่สุดอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเอ้าไม่ได้ไม่ได้เอาผมไปก็แล้วกันเอาเล็บนนเอาพระเกษาไปเอาพระโลมาไปเอาพระทันตะไปเอาพระทาทะคือพระเขี้ยวไปเอาสรีอัติกระดูกตามที่ต่างๆเอาไปบูชาเท่านี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแล้วล่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่า เออพวกที่แบบแหมเกรดต่ำสุดเลยแบบนั้นเถอะแหมก็ยังดีอ่ะนะได้บูชาพระาธาตุเนี่ยนะบางคนก็อย่างงั้นจริงๆนะให้ยกมือไหว้พระาธาตุได้เท่านั้นจริงๆให้เลื่อมสายเออสวัสดีครับพอละไปละห้ามให้กราบนะกราบก็ไม่ได้บางคนเออแล้วเออสวยดีเนาะไปละนั่นนะก็ยังดีอ่ะนะมันดีกว่าต่อต้านบอกอย่างงี้มัต้องระเบิดทิ้งไงนะ น, นะก็ก็จะดีอ่ะนะก็ดีไม่โตเทียงไม่คัดค้านไม่อะไรก็ไม่ว่ากันนะ แต่ว่าพระองค์เนีสรุปว่าแต่ว่าเนื่องจากว่าคนทั้งหลายไม่รู้ในคุณของพระองค์มันบุคคลทั้งหลายเมื่อไม่รู้คุณของพระองค์ประโยชน์ที่เขาทั้งหลายควรจะได้รับก็เลยเสื่อมไปเนี่ยนะท่านที่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นโทษของเรียกว่าโทษของวัตตะก็ได้ยินไหมโทษของวัตตะคําว่าโทษของวัตตะเนี่ยหมายาว่ามันเป็นโทษของกิเลสเนี่ยนะว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันสร้างแต่ความเสียหายโดยส่วนเดียว นะเพราะราคาแท้ๆสร้างทําลายความเสียหายแก่เขาโดยที่ไม่รู้ตัวโทสะแท้ๆทําลายความเสียหายความโง่เขลาเลอะเลือนหลงงมงายแท้เป็นตัวทําลายก็เหมือนกับว่าตัวปัญญาอ่อนนี่แหละเป็นตัวทําลายสารพัดเนี่ยนะตัวทําลายความเสียหายทําลายโอกาสทําลายอะไรทุกอย่างไปหมดตัวความโกรธเหมือนกับไฟเผาเมืองเนี่ยเป็นตัวทําลายตัวโทโลภ้โทสะอกุศลทั้งหลายเหล่านี้ ทำลายประโยชน์เกื้อกูลนี่มันเป็นโทษที่มาจากราคะเป็นโทษที่มาจากโทสะเป็นโทษที่มาจากโมหะเรียกว่าโทษที่มาจากกิเลสบางทีก็มาจะโทษจากอากุศลกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมบางทีก็โทษมาจากวิบากทั้งหลายนะบางคนควรที่จะมีโอกาสแต่แหมปฏิสนธิมันเกิดมาอเหตุอย่างเงี้ยนะมันไม่พอที่จะรู้อะไรได้บางคนก็ทําท่าจะฉลาดแต่ก็แค่ทวิเหตุมันก็ฉลาดมากไม่ได้บางคนก็ เหตุแต่แม้ติเหตุเนี่ยข้อจํากัดมันเยอะเหลือเกินบางคนนี่ฉลาดมากเลยนะฉลาดมากมีบุญมีปัญญาดีอะไร ด, ไดีสุขภาพกายสุขภาพใจทุกอย่างดีหมดแต่มีเวลานิดเดียวอย่างเงี้ยมันทำอะไรเพราแบ่งให้ไปเรื่องอื่นหมดอย่างเงีก็เลยกลายเป็นว่าประโยชน์เหล่าใดที่ควรได้ประโยชน์เหล่าใดที่ควรได้รับประโยชน์เหล่านั้นก็เลยเสื่อมไปเพราะกรรมบ้างเพราะกิเลสบ้างเพราะวิบากบ้างก็เลยเรียวกว่าโทษของวัตตะเนี่ยนะโทษของสังสารวัฏ โทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพันธก็เลยเรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยมากเป็นอุปาทานเ้าเรียกว่าอุปาทา น, นคันเนื่องจากว่าไอ้ขันเนี่ยโดยมากมันเป็นที่ตั้งแห่งตันหาและทิฏฐิมันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานขันห้าโดยมากไม่ใช่เป็นที่ตั้งของศีลสมาธิปัญญาน้อยมากขันของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเป็นขันธรรมดาทั่วทัวไป รูปทั่วไปเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานตันหาและทิฏฐิเวทนาทั่วไปก็เป็นที่ตั้งแห่งตันหาและทิฏฐิสัญญาทั่วๆไปก็เป็นที่ตั้งแห่งตันหาและทิฏฐิสังขารและวิญญาณทั้งหลายโดยมากทั่วทั่วไปเป็นที่ตั้งแห่งตันหาและทิฏฐิก็เลยเรียกว่าอุปาทานขันขันอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานน้อยนักที่รูปจะเป็นที่ตั้งแห่งศีล น้อยนักที่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจะเป็นที่ตั้งแห่งศีลไม่มากสักเท่าไรหรอกที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นที่ตั้งแห่งสมถะและวิปัสนาน้อยจริงๆถ้าไม่มีรูปของพระพุทธรูปนะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นไม่มีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของผู้ที่สร้างสมบูรณ์มาเช่นกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยหาโอกาสที่จะเกิดยาก คำว่าศีลสมาธิปัญญาในที่นี้หมายถึงข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อบันรุพระนิพพานเพราะว่าศีลที่บุคคลเจริญศีลเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคงจําได้ต้นๆในมหาปรินิพพานสูตรที่พระองค์ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำเป็นสิบครั้งย้ำบ่อยๆว่าศีลเป็นอย่างนี้นะหรือศีลเนี่ยมีอยู่ด้วยประการชนีสมาธิมีอยู่ด้วยประการชนีปัญญามีอยู่ด้วยประการชนี สมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อม ม, ม, มีผลมากมีผลมากมีอนิสงฆ์มากนะ น, นะปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีมีผลมากมีอนิสงฆ์มากจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสะวะทั้งหลายคือกา ม, มาสะวะภวาสะวะและอวิชชาสะวะงนั้นคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ย น, นะที่จำเนกขยายกระจายออกไปคือโพธิปักจธรรม คุณธรรมเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกขท์ทีนี้โดยมากแล้วรูปไม่ค่อยเป็นที่ตั้งแห่งโพธิปัคขยธรรมเวทนาโดยมากก็ไม่ค่อยเป็นที่ตั้งแห่งโพธิปัจขยธรรมแต่โดยมากเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลกรรมเมื่อรูปหรืออุปาทานหรืออายตนะน้อยนักที่ลืมตาปั๊บแล้วเป็นที่ตั้งแห่งโพธิปัจจธรรมโดยมากเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลธรรม ทวารหูที u, том, ่ได้ย de ินเสียงน้อยนักที่จะเป็นที่ตั้งแห่งโพธิปัจจะธรรมโดยมากเป็นที่ตั้งแห่งอากุศลธรรมทวารจมูกเนี่ยที่หายใจเข้าน้อยครั้งเหลือเกินที่จะเป็นที่ตั้งแห่งโพธิปัจจะธรรมโดยมากเป็นที่ตั้งแห่งอากุศลธรรมลิ้นเนี่ยรับรู้รสเนี่ยเกิดมาเนี่ยทานวันละสามมื้อเนี่ยนะเป็นหมื่นกว่าวันมาแล้วเนี่ยน้อยนักนะไม่กี่มื้อหรอกที่เป็นที่ตั้งแห่ง ศีลสมาธิปัญญาโดยมากเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาและอกปราทานเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาเป็นต้นทุกๆความคิดเป็นความคิดที่เป็นไปกับโพธิปัขจะธรรมไม่มากถ้าเทียบกับเป็นไปกับอกุโส ร, รธรรมแล้วเนี่ยนะนพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกทําให้ทุกทวารเป็นที่ตั้งแห่งศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งแห่งโพธิปัจจะธรรมราพระองค์จึงเป็นผู้ที่ช่วยสัตว์ให้พ้นจาก ทุกได้อย่างแท้จริงเพราะพระองค์บอกวิธีเจริญวิีนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะถ้าเธอจะเจริญศีลเจริญอย่างนี้จะเจริญสมถ ะ, ะเจริญวิปัสนาเจริญอย่างนี้ถ้าจะเจริญอาริยมรรคเจริญเช่นนี้เช่นนี้แล้วเธอเจ้าจะพ้นทุกเนี่ยนะมันการเกิดขึ้นของพระองค์นั้นจึงเกิดขึ้นมาเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์ ประโยชน์ที่เกิดจากสติสัมปชัญญะประโยชน์ที่เกิดจากการประพฤติดีปฏิบัติชอบประโยชน์ที่เกิดมาจากสติประญาสมมัิปัานาประโยชน์ที่เกิดจากการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นการบอกข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความสงบทุกข์เนี่ยนะซึ่งบัดนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะในส่วนของในส่วนของสรีระของพระองค์เนี่ยฝากไว้ที่พระธาตุ ในส่วนของปัญญาของพระองค์ฝากไว้ที่พระไตรปิฎกที่เราเรียกว่าพระธรรมก็มีอยู่เท่านั้นพระไตรปิฎกก็คนก็ปิดซะส่วนใหญ่เนี่ยนะกุญแจอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะพระไตรปิฎกก็ปิดซะส่วนใหญ่พระธาตุก็ยุคนี้ก็ถือว่าคนบูชาพอสมควรแต่ก็คิดว่าสักระยะหนึ่งก็คงจะซาลงไปนะคนก็แนวโน้มที่จะบูชาเนี่ยยังไงก็ลดลงไป แนวโน้มของคนบูชาพระาธาตุต่อๆไปจะลดลงวิเคราะห์เกิดจากอะไรทําไมการบูชาพระาธาตุทั้งหลายจึงลดลงหนึ่งการบูชาพระาธาตุจำมีก็ต่อเมื่อรู้คุณของพระองค์พันธไม่รู้คุณของพระองค์การบูชาก็จะลดลงถามว่าทําไมเพราะกิจกรรมเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อเสริมความรู้ให้รอบรู้ในคุณของพระพุทธเจ้ามันลดลง เมื่อการเปิดเผยความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าลดลงศรัทธาที่มีต่อพระองค์ก็ลดลงก็จะมองเห็นว่าพระาธาตุของพระองค์ก็เป็นแค่กระดูกชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยนะ ก, ก็จะไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยปกปักรักษาหนักๆเข้าถึงจะทุ่มทุนสร้างเป็น10ล้าน20ล้านหรือเป็นร้อยเป็นพันล้านก็ตามแต่ไม่มีงบประมาณปัดกวาดเช็ดถูเนี่ยนะหมายความว่าไม่มีงบประมาณในการดูแลทาความสะอาด มีงบประมาณในการก่อสร้างเยอะมากแต่ไม่มีงบประมาณในการทำความสะอาดเนี่ยนะพันเมื่อไม่สะอาดคนก็ไม่อยากเข้าไปเพราะมันสกรปรกเนี่ยนะคนอนามัยจัดจัดเนี่ยกลัวจะเปื้อนขี้นกเนี่ยนะเดี๋ยวจะติดเชื้อโรคอีกละก็เลยบอกว่ามันก่อนเข้าไปในโบสถ์โโบสถ์ใหญ่มากใหญ่ โ, ยยยยโตมากเลยนะสร้างตอนนั้นมีมูลค่ามหาศาลเข้าไปไปไหว้พระก็ไปกับอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ส อ, อ, อยู่คณะ ไม่เอ่ยดีกว่าสรุปว่าเป็นอาจารย์มหาลาัยแล้วกันเข้าไปนั่งสวดมนต์กันชั่วโมงเสร็จเสรพอออกมาเสร็จโอ้โหกลิ่นมันร้ายกาจมากเลยนะครับกวางกันขี่นกพิราบทั้งนั้นเนี่ยท่านไม่รู้หรอกว่าเชื้อตัวนี้ที่หายใจเข้าไปเนี่ยมันมีผลต่อไปยังไงอย่างไ้ละกันอาจารย์ก็พิมพ์เขียนข้อเขียนว่าไอ้ดมขี้นกเข้าไปนี่มันมีโทษตรงไหน นะแล้วบอกวิธีป้องกันด้วยพิมพ์มันเอกสารในทายเอกสารในแผ่นระบาดสองบาทแจกไปวางไว้ตามวัดต่างๆให้ท่านช่วยดูแล ว, ว่าทำยังไงขี้นกอย่าไม่เข้าไปในโบสถ์ในศาลาจะได้เข้าไปสวดมนต์แล้วมันปลอดภัยว่า ง, งั้นแล้วก็ปวกถึงผิดภัยทุกโทษโรคร้ายมันมาจากขี้พวกนกนะ่ะมันเป็นอย่างไรนะก็หนักๆเข้ามีทุนก่อสร้างแต่ไม่มีทุน รักษาบูรณะและซ่อมแซมเนี่ยนะก็อ้างว่าคนในพระเนร์ก็ทํางานมาที่เหมือนพ่านโรงก็ดูแลไปวันๆหนึ่งเนี่ยนะกวาดวันแรกมันก็ขยันดีมันก็ตื่นเต้นโอ้สวยขยันดีนะวาดกวาดวันที่สองเหมือนบ้านเราเนี่ยใครสร้างบ้านใหญ่ๆโตๆเนี่ยนะขัดถูวันแรกแม้มีความสุขมากวันที่สองในชักแม่ชักไม่เคยเทารายแล้วนะแม้สิบปีผ่านไปเนี่ยปัดปัดแล้วก็หล่ย่อนก้นลงนั่งแค่นั้นนะถ้าไม่มีคนดูแลเนี่ยดีไม่ดีก็จะเท่านั้นแหละเพราะั้น ก็กลายเป็นลักษณะนี้วัดวาทั้งหลายก็เหมือนกันโอ้ยงบประมาณสร้างใหญ่โตแต่งบประมาณเช็ดถูไม่มีไม่มีงบประมาณเช็ดถูเป็นต้นเนี่ยนะมันก็แปลว่าอะไรก็ไม่มีคนเช็ดไม่มีคนถูมันก็หนักๆเข้าก็อย่างนี้ละใครจะไปกราบไปไหว้พระพุทธรูปแต่เป็นแต่ขี้นกเต็มใครจะไปอยากกราบใช่ไหมมันก็ไม่มีการดูแลการทําความสะอาดพระธรรมก็เหมือนกันเห็นไหมมาพิมพ์ไปนานๆมก็เริ่มพูบแบกแม้เปิดตํำราปับ๊บหายใจแพ้อากาศจามชิกอะไรไม่เปิดใม่อ่านแล้วเนี่ยนะ อันน่าใหม่มากนะมันก็ที่เรียกว่าสรุปว่าโอกาสที่จะเจริญงอกงามในพระศาสนามันลดน้อยถอยลงไปเนี่ยนะนี่ถามว่าเมื่อเป็นอย่างเนี้จะทําอย่างไรก็ทําตามที่เห็นสมควรเถอดเนี่ยนะเห็นสมควรว่าอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขกระทำกันเถอะอันไหนที่ว่าดีก็ทําบันเถอะทาดีได้เท่าไหร่มันก็บุญบุญของวาสนาของเราเท่านั้นแหลเนี่ยนะอันอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ก็ ท, ทําเถอะส่วน ผู้ใดที่ทําเพื่อประโยชน์ตนอย่างถูกต้องแท้จริงเขาชื่อว่าทําเพื่อประโยชน์คนอื่นด้วยเพราะกุศลธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนนั้นน่ะไม่เบียดเบียนตนนะไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายกุศลธรรมที่เจริญถูกต้องปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคําสอน มีแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนมีแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ผู้อื่นมีแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมีแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งนั่นคือกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าวินิจฉัยเลือกเฟ้นคัดเฟ้นด้วยสัพพัญญุตยานและสัพพัญญุตยานของพระองค์นั้นอะ ใช้บารมีเนี่ยนะกว่าจะก่อร่างสร้างจนสําเร็จขณะนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ง่ายเพราะอะไรก็ได้ที่เราจะได้ปฏิบัติตามคําสอนเนี่ยนะแล้วก็ให้คิดว่าพยายามประหยัดเวลาชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยเฉพาะความคิดเนี่ยนะประหยัดความคิดที่จะควรจะใช้เรื่อยเปื่อยอันนะัก็ให้มาใช้ให้เป็นระบบเนี่ยนะมาใช้ให้เป็นไปกับสิกขาสาม ถ้าเราดูแลควบบอกว่าความคิดมันดูแลจะได้ยังไงบา ง, งั้นดูแลความคิดยากก็ง่ายนิดเดียวก็บอกอีกนิดนึงว่าถ้าคุณดูแลความคิดไม่ได้คุณดูแลตัวเองในชาติหน้าไม่ได้ถ้าคุณดูแลชาติหน้าไม่ได้อีกล้านชาติไม่ต้องพูดถึงแล้วมันต้นที่นี้มันต้นน่ะถ้าต้นไม่ดีแล้วแหมมันสายพันธุ์ที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆแต่แนวโน้มที่จะดีอะยากเพราะอะไรเพราะมันมีแต่ตกต่ำไปเรื่อยๆ เว้นไว้แต่ว่าถ้าหาว่าตั้งต้นให้ดีๆตั้งต้นเป็นไปตามคำสอนแล้วกำหนดเป้าหมายในโลกนี้ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับอะไรรู้ไหมในโลกนี้อะไรยิ่งใหญ่ที่สุดจิตที่ตั้งไว้ผิดหรือถูกมันยิ่งใหญ่ที่สุดมันอยู่ที่การตั้งจิตถ้าตั้งไว้ถูกดีสุดๆเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมนกันเถอะพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะการตั้งใจตั้งเอาไว้ถูก ก็เลยพูดถูกคําถูกก็เลยถูกตอนจบหมดเลยแล้วพระเทวท่าน่ะที่ผิดพลาดบางตอนก็เพราะตั้งจิตไว้ผิดหลายคนที่เสียหายเลวร้ายก็เพราะตั้งจิตไว้ผิดแล้วไอ้ตั้งจิตไว้ถูกตั้งไว้อย่างไรตั้งอย่างไรชื่อว่าตั้งจิตไว้ผิดตั้งไว้ถูกเนี่ยนะตั้งไว้ ต, ไวตามสาระเนี่ยถูกที่สุดง่ายที่สุดอะนะว่าเรียกว่าไม่มีผิดพลาดเลย